ก็แต่อุปนิสัยปัจจัยคืออัธยาศัยที่ยังชอบในการจะเจริญฌานสมาบัติเออมีอยู่ตรงนั้น น, นะนะอันก็ไปว่ากันไปหมดแต่ไม่ใช่หมดโดยสิ้นเชิงหมดในการที่จะให้วิบากแต่ไม่ได้หมดโดยการฝังแน่นเนี่เป็นอัธยาศัยอุปนิสัยปัจจัยมีอยู่คือความน้อมใจในเนคขมามีอยู่เนี่ยนะอันนี้ได้ตรงนี้ต้องเข้าใจัรงนั้นไม่ใช่เป็นอโหสิกรรมโดยปราการทั้งพวงต้องเข้าใจด้วยว่า ในชาว น, านะนัะ้นเนี่ยเขเป็นอโหสิกรรมที่ยังให้ผลในภพถัดไปจริงอยู่แต่ในภพที่สามเป็นต้นไปยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยฝังรากลึกในกระแสขันของท่านเหล่านั้นนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้นี่คือเรียนกรรมให้เข้าใจเราจะได้เข้าใจโอ้เป็นอย่างนี้เองเนี่ยนะคือเก็บรายละเอียดให้หมดนะเวลาศึกษานเนี่ยเท่าที่จะคิดออกตอนเนี้นะเพราะจริงๆอนามาก็ทิ้งไปนานแล้วนี่ก็มาลื้ฟื้นมาลื้ฟื้นคิดลื้ฟื้นบอกบอกติก็ก็ ก็คิดคนเดียวเขไม่ค่อยจะให้หา อ, อกหา อ, อกมาสมัยก่อนเนี่ยเพราะตนเองคิดคนเดียวไม่จำเป็นต้องโอมมาใช่ไหมเวลาจะคิดเผื่อคนอื่นเนี่ยผมก็ต้องหา อ, อุปม า, ออมาตทนเนี้ยได้ใหม่บ้างที่คิดใหม่บ้างลืมทิ้งไว้บ้างเนี่ยนะก็ก็ไปเรื่อยๆตามธรรมดาของมวลชนอุปมาหาความเนี่นอนไม่ได้ได้เนี่ยนะทีนี้ก็นี่คืออุปนิสัยปจยัจจัยแต่ในส่วนของที่เป็นครูกรรมฝ่ายที่จะให้ผมถัดไปนี่แปลว่าเป็นอาวุิกรรมแต่กลุ่มอานันตรียกรรมทั้งหลายนะ ถ้าเข้าให้ผลในพบถัดไปแล้วไม่มีระหว่างขั้นแล้วที่เป็นอนันตระตนันตลูปนิสยานติวิคตาที่เนะให้ผลในลําดับแห่งตนเลยเนี่ยที่ว่าเป็ น, เ ป, นเป็นเกี่ยวในเรื่องของอนันตเรียกรรมเนี่ยนะอนันตเรียกรรมที่ให้ผลปุ๊บในพบติดต่อไปเบ็ดเสร็จแล้วเมื่อให้แล้วเบ็ดเสร็จกรรมที่เหลือนอกนั้นดูเหมือนเป็นอเป็นกรรมกรรมในส่วนที่เหลือนอกนั้นนะ่ะดูเหมือนเป็นโอ้โหสิใช่ไหม คำว่าเหมือนก็แปลว่าเขาไม่ผลในพบถัดไปยกตัวอย่างนะปิตุค่าตมาตุาคาต่อาอรหันตคาาโลหิตุบาทใช่ไหมแล้วก็สังกเพศโอ้ทําครบเลยสมมติเนี่ยนะอย่างพระเทวทาชสังกเพศเล่นงานเมื่อนอกนั้นเป็นอโหสิ ก, กรรมท่นว่ า, างนั้นแต่อโหสิ ก, กรรมก็จริงอยู่เพียงเขาเป็นอโหสิ ก, กรรมในแง่ของอนันตฤกกรรมแต่ไม่ได้เป็นอโหสิ ก, กรรมในฐานะที่จะให้กรรมทําให้เขาเดือดร้อนเหรอเศษของกรรมทั้งหลายอีกเยอะแยะหมดเลยนะที่เกี่ยวกับในการที่เขาประทุษร้ายพระเจ้า หรือยังสงให้แตกจากกันนั้นจบไปแล้วทําร้ายบิดามารดาเป็นต้อนอะไรนี้คำเหล่านั้นยังหลงเหลืออยู่ลัที่ผิดผิดทั้งหลายที่เขายังสอนสัตว์ที่วิหารเล็กและสัตว์ที่หารลิกของท่านยังไปทำเขาเจ็บปวดเหลือเกินที่ท่านให้ธรรมะวิปลาสสมมุติอนามาให้คําสอนที่วิปลิตนะไม่สมมุติอนามาสอนผิดเลยแล้วเราท่านทั้งหลายก็ไปถือผิดแล้วไปทําบาปด้วยแหมอนามาทีกว่าหลอดแล้วนะอนามาที่ไหนได้อนามายังเจอเต็ ม, เ ต, มเต็มเลยนะ เราไปทำเมื่อไรเมื่อไรเราเจอแจ็คพอตเรื่อยเลยตเนี้ยนะถูกลังวัลที่หนึ่งอยู่เรื่อยเลยเออเรานี่ททำไมนะเราก็ทำดีแทบตายว่างั้นนะทำไมเราต้องมาเจอสิ่งที่ไม่น่าเจออยู่ตลอดเวลาเลยว่างั้นเลเมยบมมองย้อนดูกรรมนี้แล้วก็จะเห็นชัดก่คุณไปให้วิปลิตมนสิการคนมาเยอะในสังสารวัดเนะี่ยเอาที่ใช่หมคนเหล่านั้นก็เชื่อคุณมาแล้วก็ทำเป็นสาวกของคุณมาก็เยอะแยะใช่ไหม แม้คนที่สร้างความเชื่อถือให้คนอื่นมากๆหน่ากลัวเกินเนี่ยถ้าเป็นบุตรชนเนี่ยถ้านําก็ถูกดูเหมือนุญมหาศาลท่านําก็ผิดนี่เหมือนโทษมหาเลยอะใช่ไหมระวังก็ไว้เนี่ยบรรดาผู้นำน้หมูทั้งหลายเนี่ยเจ้าหมูเจ้าคณะทั้งหลายเนี่ยผู้นําหมูทั้งหลายเนี่ยนําถูกก็ถูกดีไปแต่นํานไม่ถูกกันขึ้นมาเนี่ยเขาเชื่อเราขึ้นมาก็ไปทําผิดอุย้ยลำบาก ล, บลําบนเหลือเกินใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้คนไม่เคยเข้าใจกรรมกันตรงนี้เนาะ ศึกษากรรมกันไม่ละเอียดในกรรมไม่ไ ม, ไม่ไม่ชัดเจนในเรื่องกรรมตรงนี้นะแล้วก็โห้ทํากรรมกันอย่างสบายใจบอกเชื่อฉันเถอะฉันเข้าใจถูกแล้วมุมนี้แหละใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าว่างั้นนะไปหักลานพระธรรมของพระพุทธเจ้าเยงเยงยังไม่รู้เรื่องอ่ะนะลองคิดดูดิว่าทาตัวเป็นคนหักล้านหักล้านพระธรรมของพระพุทธเจ้าโดยแท้บอดแล้วยังไม่บอดจนบอด <c oughs> นี่ลำบากใช่ไหมนี่ก็ไปไข่ควรไปพิจารณาเนาะ นี่มองเห็นนะแต่นี้จะได้เห็นจะได้เห็นความอันตรายของธรรมะนมี่ยอันตรายยิ่งธรรมทําไมเนอะเราจึงไม่ค่อยได้ตัดจะรู้อะไร <c oughs> น่าจะสอนผิดมานะเลยถ้ากระชาตินี้ก็เล่นผิดเป็นนั้นกันเนะี <c oughs> ่ยจะไหม <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้แก่ตัวแล้วงั้นเราแก้แก้แล้วจะผล่ปมใหม่เราดิโผล่ <c oughs> ปอมใหม่แล้วยุ่งเนอะ ก็เวลาเวลาอาตมากล่าวบอกใครไปแล้วมีใครแย้งแล้วเขาก็บอกว่าอาตมาสอนผิดเนี่ยอาตมายดีใจมากดีใจตรงไหนแล้วหะดีใจตรงที่โอ้โกุศลกรรมส่งผลเราเราเรา็วดีเกิด น, นี่เห็นชัดเลยเป็นไงเีนะเราเคยไปตาหนิเขามากๆเพราะเขาจะตาหนิเราบ้างเนี่ยโอ้ไม่เห็นเป็นไรเมันเป็นเรื่องปกติเลยใช่ไอมสําสคัญถ้ากล่าวกล่าวไปไม่มีใครคันเลยเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องผิดปกติแล้ว แสดงว่ากรรมประเภทที่เราธรรมะวิปลิตนี่เราไม่เคยให้มก็พยายามระมัดระวังตรงนี้ไว้เนาะทีนี้ในคําสอนต่างๆตรงนี้ท่านก็พูดถึงเดี๋ยวดูดูในรายละเอียดตรงนี้ก่อนเนาะบอกว่าจักรสูความไม่เป็นไปของจักขูประศาทและตัณหาที่เป็นปัจจัยให้จักรขูทั้งสองเกิดเนี่ยนะหรือจักรสูและธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดจักรสูนั้นน่ยความไม่เป็นไปได้แก่เหตุแห่งความไม่เป็นไปก็คือเป็นนิโรธาสัจนะ เป็นเหตุให้รู้นิโรธเป็นเหตุให้แทงตลอดนิโรธด้วยอำนาจถึงการตัดสรลุหรือทําให้แจ้งนะด้วยการยกขึ้นทีระบทด้วยคําว่าจากักขุจักขุสมุทะยะจักขุนิโรธาจักขุนิโรธ า, า, ค, รธ า, าคำนีปุวิทาก็ไล่ไปตามลําดับเลยแต่นี้นะอันนี้โอ้โหไปไล่ ย, ยาวเลยแตเนี้ยแม่ในดีกาท่านก็ท่านก็ไล่เข้าไว้ในนี้เอาเออดีกามาเอาอาเยตนามาไล่เลยเนี่ยจกักขุมาไล่ก่อนเนะาะจักขุ ก็จักขูสมุททยะจักขูนิโรธจักขุนิโรธ า, า, รธามีเบติวิทาก็โสตประสาทมาไล่เลยทีเนี้ยเพื่อจะให้เห็นคำว่าสัมมาสัมพุทธะโอ้โหไล่อย่างไรเนี่ยโสตปภะสาทก็โสตะก็โสตประสาทนิยะเดียวของก็จักขูเลยนะแต่เพียงเอาตัวโสตปภะสาทก็เวลารวมเนี้ยรวมแม่สัสมภาระด้วยนะต้องวิจัยสัสามภาระด้วยเนะี้ยเพราะว่าแหมเอาจักขูอย่างเดียวมาไม่ได้จักขูต้องมีที่ตั้งเนาะ เอาการรมชะลูบที่มีจกักรุปราศตั้งอยู่นั่นแหละเอามาวิจัยได้เป็นทุกขสตัตย์คำว่าเป็นทุกขสัตว์ในที่นั้นนะ่ะทั้งสองส่วนนะทั้งปัจจาลักษณะแล้วก็สามัญลักษณะก็มาวิจัยอยงน้เนนะ่ยรอบรู้รอบร้อทุกขสตัตย์แล้วเชื่อมโยงไปดูตัณหาที่เป็นปัจจัยกับจกักรุปราศเกิดนี่นีนกล่าวมัอย่างเนี้ยเนี่ยกล่าวมาลักษณะอย่างเนี้ยหรือหรือวิธีไล่เนี่ ย, ลาาลยไล่นะลไปตามทวาวรก็ได้จักรุปรารศโลภรมจักรุญาณจักรุสัมปัตจักขุสัมปัสชาเวทนา ตั้นหาไลา่ไปเลยนะไล่ไปอย่างนี้ก็ได้ไล่ไปเชื่อมโยงเฉพาะแต่รัฐวานแต่รัฐวานก็ได้นะเพราะหลักการเชื่อมโยงนั้นท่านกล่าวไว้โดยหลักเป็นคร่าวๆก็ไว้ในชั้นของดีกาเก่าไว้ในชั้นของอัศกถาเก่ายอ่อปุ๊บป่วยดีกาก็ามาขยายให้นี่เราเรียนลําดับตามดีกาก็ได้าไมต้องมาขยายถ้าไม่ไม่ขยายขนาดขยายนะเราก็เอาจบเป็นประมาณให้สังเกต ด, ดูดิพอมาไล่จริงๆเนี่ยไม่เห็น ไม่เห็นสัมมาสัมพุทโธแต่ถ้าอากไปไล่ซักหลายรอบเนี่ยนะอนันตมาจะเป็นคนชอบเอามาสาธยายแล้วอนันตมาไม่สาธยายลึกซึ้งอะไรนะอนันตมาท่องเร็วเข้าไว้เช่นจักขูจกัจกขูสมุททยาจักขูนิโรธาจักขูนิโรธคามินิปติปทาโสตโสตสมุทยาโสตนิโรธาโสตนิโรทคามินิป ต, ต, ต, ติปทา คานะคานะสมุทัยคานะนิโรธะคานะนิโรธาขามินีบริบูธาชิวหาชิวหาสมุทัยชิวหานิโรธะชิวหานิโรธาขามินีบริบทากายะกายะสมุทัยกายะนิโรธะกายะนิโรธาขามินีบริบทามณะมณะสมุทยะมณนิโรธะมณนิโรธาขามินีปริบทาก็อะไรเงี้ยแล้วก็มารูปะรูปะสมุทัยรูปะนิโรธะรูปะนิโรธาขามินีบริบูธามันก็ไล่ก็อาจจมาเข้าใจอ่ะพอไล่ไล่ไปถ้าเข้าใจใช่ไหม เข้าใจคําว่าสัมมาสัมพุทโธอันนี้พอจะมาสอนไม่ต้องมานังคิดแล้วมาดังวิจัยแล้วเอ๊ถ้าจะเอาอย่างเราไล่ไม่ได้แล้วเพราะอย่างเราก็คิดได้คล่องพอสมควรเนี่ยนะแต่ในบรรดาผู้ที่ยังไม่เคยเห็นคําว่าสัมมาสัมพุทโธเพราะว่าคําว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเป็นการเจริญพุทธคุณยกตัวอย่างที่ว่าอาจากขรูแม่มาวิจัยอะ่ะแล้วเห็นคําว่าสัมมาสัมพุทโธ ลึกซึ้งเป็นอุปนิสยัยปัจจัยทำให้อัตยาสัยนะั้นเนี่ยขัดเกลนอนมใช่มเป็นเป็นวิขมพนะอุเวกวิขมพนะประหารได้เพราะเป็นอุปจารสมาธินี่พอวิจัยลึกลงไปเบ็เสร็จเห็นอริยสัตว์อันนี้เอาและเต็มตะทงังเขาวิเวกเป็นตะทงัง